ปรเด็นในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังสลายั้นแต่รลวระพุทธญาณกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิมาถึงช่วงที่การจำแนกของกรรมที่ทำให้คนเรามีความแตกต่างกันตามคมกราบทูลถามของสุภาพมนุษย์ุตรของโอตเตยพระ เช่นว่าเกิดมาอายุสั้นอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยแล้วก็พิพันธ์ดีพีพันธ์ามตลอดจนถึงมาถึงช่วงที่พูด้องการที่คนเราเกิดมาในสกุลสูงสกุลต่ำ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการจําแนกโดยกําเนิดโดยกําเนิดหรือพูดง่ายๆว่ากรรมที่ทําหน้าที่เป็นชนกกรรมคือกรรมที่นําให้มาเกิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกรรมประเภทอื่นอยู่ด้วยนะคือกรรมประเภทที่เรียกว่ากรรมสนับสนุนกรรมเบียนและกรรมมาฆ่าผลของชนกกกรรม ข้อที่คนเราเกิดมาสกุลสูงและสกุลต่ำนั้นประสงแสดงโดยข้อความแนวเดิมคือว่าใครก็ตามที่มีใจริ์ยาย่อมริษยามุ่งร้ายมุ่งใจอิจฉาในลาบสกราระความเคารพความระคือต่างๆเป็นต้นเนี่ยของบุคคลอื่นคือเราจะเห็นว่าลักษณะของใจท่ริศยา เป็นใจที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงแต่อาการนั้นจะปรากฏในจุดที่ต่างกันซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ริษยาคนอื่นนั้นเรากล่าวโดยสรุปก็คือริษยาในส่วนที่ดีของเขาเห็นว่าคนจเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยความสรนเสริญด้วยความสุขนี้จะถูกริษยา ครมริษยาจึงไม่เกิดแก่คนขอทานคนโรคเรื้อนคนเป็นโรคเอสดคนพิกลพิการต่างๆเนี่ยจะไม่มีใครริษยาตนัแสดงว่าการที่ถูกริษยาเพราะว่าคนนั้นต้องการได้สิ่งดีงามเหล่านั้นเสียเองแต่พอดีคนอื่นเขาได้ตัวก็ไม่พอใจก็คือดริษยาแต่ในขณะเดียวกัน พื้นฐานความรู้สึกลึกๆที่อยู่เบื้องหลังเมงคือเราเหนว่าสลาบยศสนเสริญสุขเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักเคารพนับถือศรัทธาเราก็มุทิตานะฮะเราก็ชื่นชมยินดีแล้วก็แสดงว่าคนที่ได้นั้นเราต้องไม่พอใจเขาคือเราต้องโกรธเขาไม่ต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าไม่เห็นเขาได้เขามีเขาเป็นไม่ต้องการดเดินเขาได้เขามีเขาเป็นในสิ่งที่ดีงาม จะตามปกติก็มุ่งความพิบัติร้อนให้เกิดขึ้นกก่คนที่เราไม่ชอบอยู่แล้วพอเขามีความเจริญก้าวหน้าก็ไปแสดงความริษยาแต่ถามว่าตัวใจเองเนี่ยตัวใจตัวตัวใจของตัวเองเจตนาที่คิดออกมาในลักษณะนั้ น, น, นมันเป็นอาการของโมหะแล้วเราลองสังเกตก็คือเขาไม่ค่อยยอมรับกฎของกรรมอะ เพราะที่จริงผลเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลนั้นมันมาจากเหตุแต่เหตุ น, นั้นคนคนนั้นเขาก็ทํำมาเองเพราะการที่คนอื่นเขามีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องอะไรก็ตามคือถ้าเรามองเป็นกรณีศึกษาแล้วมันก็กลายเป็นกรณีศึกษาก็ศึกษาดูซิว่าเขาประสบความสําเร็จในเรื่องเหล่านี้ได้เพราะทํำยังไง เราก็ต้องการได้อย่างที่เขาได้ต้องการมีอย่างที่เขาเป็นต้องการมีอย่างที่เขามีต้องการเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ศึกษาวิธีการเรา น, นจากเขาซึ่งประเด็นตรงนี้ถ้าเรามองในยุคสมัยปัจจุบันคือแนว เ, เปิดเผยวิชาความรู้ฝีมือในด้านต่างๆเนี่ยแพรกระจายไปมากคือบางคนเปิดเผยออกทางอินเทอร์เน็ตเลยบางคนก็เปิดเผยเอาตั้งสือวิทยุทางโทรทัศน์ังหนังสือพิม เขียนบอกตำหนักตำนาวิธีการให้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะให้ไปดูในสถานที่ตรงนั้นที่เป็นเหตุให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยนันไปชยุคสมัยโบราณที่มักจะบกปิดวิชาความรู้หรือสาเหตุที่ให้ตนประสบความเจริญ ก, ก, ก้าวหน้ากระบวกรอยังรู้สึกชื่นชมคือฟังรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วเขาก็ปรนาาตัวเ้าพร้อมที่จะ อธิบายให้ใครก็ได้นะที่ต้องการประกอบอาชีพอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นการเคาะผันปลาอะไรนี่นะแล้วพิธีกรก็าถามว่าไม่กลัวเขาจะมีคู่แข่งเหรอเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกคือต้องการให้คนไทยเรามีอาชีพที่มีเงินเป็นก้อนเป็นก ร, รมแล้วก็เป็นกอบเป็นกรำร ม, มีความเจริญก้าวหน้านได้ แล้วก็เรื่องของการแข่งขันนั้นเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าตลาดยังต้องการมากเกิดแล้วก็ยังประกอบอาชีพได้กันอีกนานหรือแสดงให้เห็นว่าความวิสัานั้นมันเป็นการบั่นทอนตัวเองเป็นการทำลายตัวตนของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดอาการหยุดชะงัก มันก็เหมือนกับเห็นเพื่อนก็จะเดิญก้าวหน้าแล้วก็เครียดแค้นจริงชังประชดชประชันผคนท้ายเพื่อนก็ก้าวหน้าไปเรื่อยเรื่อเราก็ไล่ไปทันทีลักษณะการอธิบายทั้งฟังลองสังเกตว่าการอธิบายและวคำว่าริษยาในในภาษาไทยเนี่ยตามปกติเรามักแก้ใช้คำว่าอิจฉามันคงจะเรียกยากนะฮะถ้าบาลีจริงๆริงเนี่ยเขาเรียกอิจสาคือสอเสือ แต่ว่าคนมาเรียกโดยทั่วไปว่าอิจฉาที่จริงอิจฉานั้นแปลว่าความปรารถนาคือเป็นอาการของความโลภก็เข้าใจว่าเราออกเสียงยากจะเคยฟังแล้วก็เราก็คุ้นๆนจนฟังแล้วเนี่ยคือก็คงไม่ได้นึกถึงคาแปลแล้วความหมายจริงๆมาต่างกันแต่พอพระพุทธเจ้าทรงแสดง ลักษณะของความรู้สึกเนี่ยการแรกก็คือใช้กัว่ามีใจริษยาบารีก็ใช้คำว่าอิสานะเมื่อมีใจมันมีเชื้อของความริษยาอยู่มันก็มองคนอื่นที่ตัวไม่ชอบนะด้วยความริษยาเมื่อเขาประสบความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ แล้วไปจะเกิดอาการมุ่งร้ายต้องการยื้อแย่งต้องการทำลายต้องการขัดขวางไม่ให้คนเหล่านั้นประสบความสบับเพรความเจริญก้าวหนนะ้าจนถึงกับปลูกใจอิจฉาคือปรารถนาเห็นหฮะปลูกใจอิจฉาอิจฉาอะไรคือปรารถนาที่ในในลาภส ก, การะในความเคารพ อการนับถือการกราบว่าการบูชาของคนอื่นหมายความไอ้สิ่งที่คนอื่นได้เนี่ยมันดีดีท่านั้นเรียร่าศั ก, การะความเคารพความนับถือการบูชาการยกย่องการสรรเสริญอะไรต่างๆที่องคนอื่นก็ได้เนี่ยเราอยากได้เสียเองตรงนี้ทรงใช้คำวมาอิจฉาที่แปลว่าปรารถนาซึ่งก็เป็นอาการของความโลภแต่เป็นการอยากได้ในของของบุคคลอื่น ปหัหาเหล่านี้ที่จริงเป็นปนัญหาทาวลในหมู่สัตว์ตัวโลกทั้งหลายนะครับลองสังเกตว่าพฤติกรรมแม้ในหมู่สัตว์ดิแรชานอย่างไรคือจิตใจเขก็ต่ำกว่ามนุษย์แยะนะพระพัพอเห็นเพื่อนเขาได้อะไรได้อาหารอะไรอะไรมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะได้เห็นเพื่อนได้กฤติษยาเลยก็มุ่งที่จะแย่ง ตลอดถึงมีอะไรก็ตามเราลองดูสัตว์ิรตยารมันก็สะท้อนว่ามนุษย์ก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งบางครั้งบางคราวมันก็ไม่มีเหตุผลสติปัญญามากพอต่อการที่จะควบคุมตัวเองมันก็แสดงสัญชาตญาณแบบสัตว์จา ร, ราออกมาทีนี้ในความริษานี่แหละคือถ้าเรามองให้เห็นว่า ลักษณะอย่างหนึ่งในบ้านในเมืองเราดูหนังสือก็ได้นะอ่านหนังสือนวนณีใหก็ได้แล้วดูละครที่มีการแสดงก็ได้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากกว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าได้รับบทตัวอิจฉาตัวริษยาเนี่ยจะตีบทแตกกระจุยหมดเลยแล้วก็แสดงได้ดีหมดแสดงจนผู้ดูมีอารมณ์ร่วมนาคือโกรธเกลียด มันส่ แ, แต่ก็แสดงตามไปก็แสดงว่ามันก็มีอยู่ในสต็อกเยอะนะในจิตใจในี่มีอยู่เยอะและการอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าท้านฟังลองสังเกตว่าเราเห็นใครก็ตามเขาประสบความสาเร็จในงานอาชีพในหน้าที่การงานในการศึกษาเราเรียนในเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีคนอยู่ กลุ่มหนึ่งที่ต้องการมีส่วนแบ่งต้องการมีส่วนแบ่งถ้าสำนวนการตลาดก็ว่ส่วนแบ่งการตลาดจากความสำเร็จของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็จะแสดงออกมาในสองวิธีวิธีหนึ่งก็รวยลัเลยเาเลยคือร้นก็เลยเราสังเกตนะนะเหตุการณ์ต่างๆในยุคสมัยที่มีการพืช สวนพืชไร่พืช น, นาออกออกจากคือคือมีการเก็บเกี่ยวนะฮะยุคที่มีการเก็บเกี่ยวก็จะมีข่าวคราวเรื่องขโมยขจวนนี่เยอะหรือว่าพวกบริษัททางร้านในกรณีที่ได้ผลกำไรอะไรต่างๆ ก, ก็จะมีข่าวการการปล้นการชี้กันโดยประการต่างๆนั่นคือถือว่าริษยาแรง ทีนี้เรสเสยอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันอย่าลืมมนมาจากโมฆะคือเขาจเจริญเติบโตมาในเรื่องอะไรก็จะเรียนแบบคือจะทําตามตั้งแต่ผิดสินค้าตัวเล็กๆจะทํำขนมนมเนยจะขายก๋วยเตีเ๋ยวอะไรจะไร่เนี่ยมันมันมันจะมีคนมาทําแข่งจนถึงห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมอทาวน์เฮาท์แมนชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีคนขึ้นมาแข่ง พอแขงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเนื่องจากเปนความโลภเนี่ยไปเป็นอันตรายพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความโลภเป็นอันตรายของทำทั้งหลายแต่ความลิษยาเนี่ยก็ทำโลกให้พิ น, นาศในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจะไม่มีความซึมอบอยู่ภายในใจรับสั่งว่าอิชาโลภาสมาปนโนสมาโนกิงบวิสติคนที่มากไปด้วยความโลภแลอความปรารถนาเนี่ย จะเป็นผู้สงบได้ยังไงมันจะไม่สงบหาวใจแกจะพล่านกกจะดิ้นแล้วก็จะขาดความรบ้อบขาดความรัดกุมคือมองไปในการที่จะแย่งผลประโยชน์ซึ่งคนอื่นกำลังได้อยู่อย่างน้อยก็ขอมีส่วนแบ่งแล้วในสุดมันก็ผิดขึ้นมาแข่งแข่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะก็ว่างกัติบัานเต็มเมือง เอาเฉพาะอาคารต่างๆซึ่งก็ว่าเป็นล้านๆยูนิตนะฮะทั่วประเทศ น, นั่นคืออิทธิพลของความริษยามันนําไปสู่การอิจฉาหรือปรารถนาอย่างน้อยก็ปรารถนาส่วนแบ่งที่แรงมากมากกว่านั้นก็คือปรารถนาเอาหมดเลยแล้วก็มาข่าวไปพร้นเขาแล้วไปฆ่าเขาหรือไปทุบตีคกล้ๆกับเป็นฆ่าทาสอะไรของตัวเองเล คนเหล่านี้ที่จริงก็ทําตัวเองให้ตกต่ําที่เราเห็นกันทัพชัดนะฮะว่าคนที่มัวแต่ริษยาคนอื่นเนี่ยในที่สุดก็จะตกต่ําบางครั้งก็บรรทอนตัวเองคือพบเด็กคนหนึ่งเขาศึกษาเราเรียนมาด้วยกันตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเขาก็เป็นบทเรียนได้อย่างดีนะคือเรียนมาจนถึงสมัยนั้นเขาเรียกม6เลยนะ ม .6 ก็คือมออไรละโมหกในปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกมแปดอาจารย์เรียกมแปดสอบแปดเนี่ยคนที่แข่งกันมาเนี่ยเขาสอบผ่านแล้วแกก็สอบตกแกก็ริษยาหรือประชดโดยไม่เรียนเลยไม่เรียนมันก็เห็นดัดเจนนะฮะ พอเส้นทางของชีวิตนี่จบลงด้วยคนที่เขาสอบได้เนี่ยก็ได้ปัญญาตรีทำงานเจริญก้าวหน้าในรัชการรู้สึกไปจบที่สี่เก้านะตัวเองก็รู้สึกจะจบแถวสี่ห้าสี่อะไรก็แถวนี้แต่ต้องมานดาลถามว่าถ้าเราไม่ริษยาเขาตรงนั้นหละแต่ก็ใช้ในแนวก็เรียกว่าแข่งดีแข่งทำดีนะ เราก็สามารถเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันพลแรางวรลิศยาเนี่จึงส่งแสดงถึงว่าคนเราเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งคือเราก็ตายไปแล้วจะเข้าถึงกบายทุ ก, กติวิบาทนรกเพราะกรรมนั้ น, นังเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้ยอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าอคุอลักษณ์กรรมเหล่านี้มันไม่แรง คือไม่ถึงก็ต้องตกนรกแต่ว่าเกิดในที่ใดในภายหลังนี่จะมีสักดาน้อยคือหมายความว่าไม่มีอะไรเขาเรียกว่าพลังอำนาจหรือบ า, บารมีที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ฐานะตำแหน่งจะสูงแต่กลายเป็นคนไม่มีบารมีคือสั่งการอะไรยต่างๆก็ทำไม่ได้ แต่คนบางคนอายุอานามก็ไม่มากนะะแต่ว่าศักด์ดาสูงส่วนมากมันจะเกิดในสกุลสูงอนะฮะเกิดในเกิดสกุลสูงก็ได้สถานะได้อนุภาพของชนก ก, กรรมที่นําไปเกิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่มีความริษยาคือตรงกันข้ามก็ที่จริงตรงนี้ก็มองในแนวตรงกันข้ามนะฮะว่า มีใจไม่ริษยาไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ปลูกใจอิจฉาในลาภสการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นจิตใจมันแช่มชื่นเบิดบานนะ่ะมุทิตาหรืออนุโมทนานะฮะที่พะเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอิทัโมดติเปตจะโมดติกัตตะปุญโญอุปยัตตโมดติเนี่ย คือคนที่ทำบุญเอาไว้นั้นจะประโมทบันเทิงตื่นเรองอยู่ในโลกนี้ลาโลกนี้ไปแล้วก็จะประโมทก็จะประโมทในโลกทั้งสองเพราะเห็นว่าตนได้ทำบุญเอาไว้ทีนีคน้คนเหล่านี้ถ้าหากว่ากำลังเขาแรงมันก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรร์แต่ถ้าลดลงมากกว่านั้น พัวกุศลกรรมก็จะนําเขาไปบังเกิดในสกุลที่ที่สูงนะฮะก็มีศักดามากมาครองสักดามากในต้องสกุลต้องสูงนะฮะถ้าสกุลไม่สูงคือสกุลที่ได้จะสถานะจากสังคมนะฮะพวกสิทธิมาสารพวกกษัตริย์มาสารพวกพราหมมาสารอะไรแต่ไหนเนี่ยคือได้สถ า, านะจากสังคมอยู่แล้ว เช่นวราเป็นพระราชกุมารแล้วก็ไปใหญ่เลยนะตัวเล็กนิดเดียวก็มีเดชานุภาพมีบา ร, รมีเป็นที่ยอมสยบของบุคคลทั้งหลายแต่ประเด็นที่สำคัญที่น่าสังเกตก็คือว่าความริษยานั้นทำตัวเองให้ตกตำ่ำเรามองดูถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้น ในประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะในประวัติศาสตร์ก็ดูง่ายๆนะเช่นเช่นในสงครามอ่าวเนี่ยคือเราตั้งปัญหาว่าถ้าซั ด, ดามุสเซตเนี่ยเขาไม่ไปริซยาคูเวทที่เป็นแองน้ำมันใหญ่ประเทศเล็กกว่านะฮะแต่ว่ามีน้ำมันมหาศาลนึกเกินจนถึงก็ควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่แล้วยกกองทัพไปยึดบ้านยึดเมืองเขาในยุคสมัยที่มีองค์การจราชาติแล้ว ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับอิรักในยุคตรงนี้ก็เท่าไรละ่ะรวมๆสิบปีแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นไหมเราก็ตอบว่าไม่เกิดแต่ไอแรงริษยาเนี่ยมันจึงสร้างความพิบัติเรือร้อนอะไรมากมายต่างๆแล้วก็ดึงคนอื่นเขาร่วมเขาร่วมกระบวนการในการตกแต่งแต่สังคมเราชอบสะท้อนภาพเหล่านี้ เราจะเห็นว่าคล้ายๆกับการแสดงละครการเขียนหนังสื อ, อนวนิยายอะไรนี่ถ้าถ้าไม่มีตัวฤษยาเนี่ยมันก็ะมันขาดอะไรไปมันจะต้องมีตัวฤษยาแต่ว่าหน้าก็คือการสะท้อนภาพสังคมพะคนเราจะอยู่ในที่ใดก็าตามมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาฤษยาอย่างหลวงวิจิตเ้าตั้ง ข้อสังเกตเอาไว้นะฮะที่เป็นคำกลอนซึ่งแม้จะไม่ฟันความจริงสากลแต่ว่าฟังได้นะพี่ท่านบอกบอกว่าทุกคนก็อยากให้เราดีเนี่ยไอ้จรงนี้ที่จริงเปล่นไปไม่ได้คือไม่ว่าโลกไหนนะฮะมนุษย์แต่และคนที่จะหวังให้คนอื่นเขาดีเนี่ยไม่มีแม้แต่คนอย่างพระพุทธเจ้าคือมันน่าจะเป็นที่ชื่นชมของคนในยุคสมัยสมงนั้น แต่ก็มีคนลิษยามีคนแข็งดีมีคนใส่ได้ป้ายสีมีคนกราบหาพระองค์สารพัดเลยแต่ถ้าเด่นคือทุกทีเขาหมั่นไส้ในะนี้จริงแต่ก็ไม่ใช่หมดอีกนะฮะปัญหาว่าคนที่รู้สึกต่อเรานในหมั่นไส้เนี่ยเกิแสดงเขาไม่ชอบเราแต่ถ้าหากบุคคลนั้นเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นพี่น้องเอ่อเป็นพ่อแม่ของเราอะไรไไอะไรใครก็จะชื่นชมนะ เห็นไหมว่าบางทีเนี่ยคําคำกรอนอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่ค่อยคิดในรายละเอียดเท่าไหร่เราฟังแล้วก็เชื่อไปเลยคือเรื่องมันเรื่องมันเป็นเรื่องกรณีหรือในเฉพาะกรณีเหล่านั้นมันก็ฟังได้นะแต่ไม่ใช่ทุกๆ ก, กรณีทาก็เตือนว่าจงทำดีแต่่ะเด่นจะเป็นภยัยคือทำเด่นเนี่ย มันเขาเรียกว่าเวิร์มากเกินไปนะฮะเสียแรงมากเกินไปแต่ว่าถ้ามันเด่นโดยการงานโดยความรู้โดยความสามารถแล้วก็ไม่รู้จะว่ายัางไงคนก็จะถูกดิสยาแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ดิยาหรอกเพราะเราห้ามใจคนอื่นไม่ได้ตรงนี้มันเลยกลายเป็นกฎของกรรมที่มีความชัดเจนว่าก็เรารับผิดชอบไปสิ ก็เป็นการเสนอทางเลือกให้ทั้งสองทานคุณต้องการที่มีความเจริญรุ่งเรืองไหมในชาติปัจจุบันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ริษยาเนี่ยวิถีชีวิตของคนดีทั้งหลายกลายเป็นกรณีศึกษาทั้งนั้นเลยมันก็เหมือนกับอะไรกับปณิตา น, น, นจะเสวนาคือการข่มหมาสมาคมปณิเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัด เดนตามบนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วเราก็มีกรณีศึกษาเยอะเลยทีนี้พอลิศสยามมันก็ปิดประตูล็อกตัวเองตายเลยไม่ยอมเอาแบบคนนั้นเอาอย่างคนนี้อย่างในเมืองไทยเราเนี่ยเราสังเกตว่าความเจริญด้า น, นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขณะเนี้ยถ้าคนที่ติดตามข่าวคราวในบ้านเมืองมาเนี่ยว่าจริงๆมันมีการริเริ่มมีการเสนอโครงการเหล่านี้มาตั้งตั้งหลายี่สิบกว่าปีแล้วนะคร แต่2019 2021เนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งคือ20เนี่ยจะมีโครงการเนี่ยอทางด่วนทางวงแหวนทางอะไรแต่ไรวงแหวนวงนอกวงในอะไรแต่ว่ากันนี่ยมีการเสนอขึ้นมาแล้วแต่ว่าโตไม่ได้เพราะว่ามันริษยากันใครก็ไม่ยอมไปริเริ่มเพราะถือว่าบุคคลอื่นก็จะเห็นเป็นผลงานของบุคคลผูนั้น ซึ่งครงสร้างเหล่านี้พอเราเทียบเคียงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างสมัยสมูรณาสิทธิราชเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจองเกล้าจะอยู่หัวทรงค้นพบพระบรมเจดีย์หรือซากของพระบรมเจดีย์ในสมัยที่เสด็จทุดงไปเป็นพระอยู่พอปฏิวัติขึ้นไปไปครองราชเป็นแม่เจ้าแผ่นดินก็เริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้าง แต่ว่าเงินทองก็ไม่มากในะสมัยนั้นก็สร้างไม่เสร็จในยุค ข, ของพระองค์มาถึงยุคราการที่ห้าก็ต่อเลยในการที่หกก็มาสมเร็จในสมัยการที่หกนั่นคืออะไรคือว่าท่านสืบสารกันเพราะท่านมีฤิ์ศยากันแต่รู้สึกเป็นพวกเดียวกันในการที่หกก็คือว่าปู่ทาไว้ในการที่ห้าก็คือว่าพ่อทําไว้แต่การที่หกก็คือว่าพ่อทําไว้ปู่ทาไว้ท่านก็ต้องต่อ เพราะในความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันจะลดความริษยาลงไปโดยธรรมชาติที่สังคมก็พยายามจะสร้างความรู้สึกเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพที่เชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันโดยเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมโดยสายเลือดบ้างโดยหน้าที่การงานบ้างโดยเอาสถาบันต่างๆมายึดโยงกันไว้บ้างเพื่อลดความริษยาลงไปเพราะความริษยานั้นทําโลกให้พินาศอยู่ทุกยุคทุกสมัย ท่าฝฟังทป้หลายแต่รูมาพุธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็น่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเดินม อ, อกงามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี